ท่านไมใช่คนตน ต, นตื้นท่านคนลึกซึ้งจะมีคำสัจจริงแพียงแค่ไหนนีท่านจะลองเราดูกฝ่ากันได้จะถือคําสัจมากกว่าโลกหรือจะถืโลกมากกว่าคําสัจท่านก็จะมองเราดูวันันเหตุนั้นท่านจึงไม่ได้เอาผิดอะไรกับเรา เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินที่เคยได้ยินก็ใครจะไปกับท่านเว้ยใครจะไปกับข้าไปซักผ้าซักท่านจะเอาห่อมาลงนี่ก็มีมทางนั่นประตูถูกไหมนะทําไมเราจึงแก้ได้เราเป็นพระป่าพระเขาพระผีบ้าทําไมแก้ได้พระราชสมัยทําไมแก้ได้พระป่าพระเขา เออพะพะเอาเสือให้ให้นเอาน้าให้ถามไปที่สฐานคาธรวมตาผู้ใดเขาแล้วไปที่สัมผัสนั้นนจะพุทธกายนิพพานโดยแท้เลยเขาก็เอื้อเพื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในความศึกษาในความไม่ประมาท ในปฏิทินสั้นคือตอนรับปลาใสพิกษุวันณธรรมคาตะวะโอ้ประการนี้เออเอาหน้ามาให้ดื่มไหมแล้วก็พ่อโยมจะดื่มหน้าก็ดื่มเช่ั้น เ, เอาหน้ามาเอาหน้ามาไม่กล้าท่านองใช่ไหมฮะอืะ้อ เรือวันนี้แต่ก่อนนะก็ไปเหมือนกันท่านถรนมสองพันสี่ร้อดสิบเก้า 8, 9, เราไปแต่เ น, นี้เราไม่ไปไปแล้วพุทธธรสงฆ์นิพพานพุทธาสงฆ์นิพพานพุทธแท้ธรรมแท้สงฆ์แท้คือพระนิพพานทำไมนุ่งหอมอย่างนี้นุ่งหอมแบาคนป่วย เขาผมเป็นคนป่วยโรคชาลาเป็นหัวจับอโรค อ, อื่นเขาก็ขอไปตามโรคชลาให้กับผมขอไปด้วยให้กับผมขอไปด้วยให้ดิฉันโรคขอไปด้วยขเขาก็ว่าอย่างนั้นโรคทั้งหลายนี้โรคชลาเป็นหัวจับเขาก็ข อ, ขอไปด้วย ร่างกายมีทุกมากมีโทษมากเราอาภาษต่างๆย่อมตั้งอยู่ในกายนี่โรคในตาในหูในจมูกในรูดลิ้นในกายในใจโรคที่เลือดโรคเบาหวานโรคจิตพิษหวงลําไส้ยัคโบรโคโรคในตาโซตาโรโคโรคในหูเชี่ยวหายโรคในลิ้นกายย่าโรคในกายชํ้งตัวนันตะโรคในฟันมุขคาโรคในปา นาระพันธโลกมันเกิดขึ้นที่นี่หายว่าหายลงที่นี่เกิดว่าเกิดขึ้นที่นี่เธอทั้งหลายจงพิจารณากายสักกายมีทุกข์มากมีโทษมากอย่ายินดีในกายทั้งปวงเลยจงสนุรสังเวชสักพบรมศาสลาแล้วมากเกิดแก่เจิดตายอีกนพระบรมศาสลาสอนเธอเห็นทุกขคณะกิตหนึ่งเธอก็เห็นโลกภาพหนึ่งแล้วเธอเห็นอ น, นิจจังขณะจิตหนึ่ง เธอก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเราจะท้าขดกันไหมกั่เธอทั้งหลายขจงทุกชาอย่างนั้นเราลงมาสาธาได้ได้ในโกเพื่อนอานิจจังได้ได้ในโลกเพืนทุกขงังใด้ได้ในโลกเพื่อนอนาคาแล้วทุกท้ายเลยนาทั้งอดีต ท, ทั้งมาคตทั้งปัจจุบันด้วยต้องรู้าำจริงสักปฏิบัติจำจริงสักลดทอนจากความหลงจำจริงสักหนึ่คขด ร, รัก นั่นคือตัวศีลนั่นคือตัวสมาธินั่นคือตัวปัญญาชั้นสูงเมื่อใดเห็นสังขารมัเพี่ยงเป็นทุกเปน็นอนัตตาชัดรอมกำลังหายใจเข้าออกเมื่อนั้นย่อมหนายในทุกข์นั้นแหละทางแห่งวิสุทธิเสียนวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิกลมเกลืนกันอยู่ในปัจจุบันพระพุทธศาสนาสอนสอน ด้านสุดท้ายสอนด้านเบื้องต้นสอนให้ธรามาหาเรี่องชีวิตในทางที่ชอบให้เว้นอบายยมุขทุกประเภทซะสอนให้มีเียงห้าบาริบูรณ์สอนให้มีความละอายตา่อบาบให้มีความกลัวตว่อบาบแล้มีเสียงห้าบาริบูรณ์ด้วยสอนให้ยินดีในอยู่ยงคงกรพันด้วย สนม่ให้ร่วงล่วงละเมิดอบายยมุคลุวยเพราะถ้าแม่ล่วงอบายยมุขก็เป็นมนุษย์สมบัติก็เป็นสวรรค์สมบัติก็เป็นทูมสมบัติก็เป็นนิญญานสมบัติไปในตัวถ้าล่วงละเมิดอบายมุขก็เป็นมนุษย์วิบัติก็เป็นสวรรค์วิบัติก็เป็นภรมิวิบัติก็เป็นนิญญานวิบัติไปในตัวด้วย และก็ล่วงละเมิดเสียหน้าอีกด้วยถ้าไมนล่วงละเมิดเสียหน้าไ้่ลองอบายมุกไม่เสียดายอยากล่วงอบายมุกไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเสียหน้าไม่เสียดายอยากจะถือศาสตร์ศาอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะคบมิตรชั่วไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่จองเวรท่านผู้ใด ถ้าเคยได้ทําผิดเข้ามาจากชาติก่อนก็ให้แล้วกันไปสักถ้าเข้ามาทําใหม่ก็แล้วให้กันไปสักเราไม่จองเวรท่านผู้ใดโกรธยู่ใจไม่จองเวรนั่นคือภูมิสุภเทปันโนบางต้นของพระพุทธศาสนาปิดอวัยภูมิแล้วเมื่อตายวันไหนก็มาไปเกิดเป็นสัจจรดชสารก็มาไปเกิดเป็นเปิติสุรากาศก็มาไปเกิดในสัจนรก ไม่มนุษย์ก่อสวรรค์เท่านั้นก็นคือมนุษย์ก็เป็นโลกุตระมนุษย์ไ ม, ม, ม่ใช่โลกีมนุษย์สวรรค์ก็เป็นโลคุณระสวรรค์ไม่ใช่โลกีสวรรค์คือภูมิพระโสดาบันต่อจากนั้นพระสักคาค า, า, า, ารีอนาคามีอนาหันก็จะเปิดประตูไปเองไม่ต้องสงสยัย ไ, ไปในทางบุกไปในทางบานหน้าเหมือนดัง เดือนข้างขึ้นไปจนถึงวันเป็นแต่ไม่กลับมาเลยอีกเหมือนเดือนเนื้กว่าโซวเจปนุถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะภาวนาจนคุ้มผมคุ้มขนหล่นก็าตามจะอดอาหารจนคุ้มผมคุ้มขนหล่นก็าตามจะยืนขาเดียวอ้าปากกินลมวันย่างขําเหมือนชมภูกะก็าตามก็เป็นผู้ชุชนคนหนาเราดีดีนี่ เพราะพุทธศาสนามีความหมายอย่างนั้นอา้าวท่าเช้าโรคมียางอา ย, อายต่อบาดมีความกลัวต่อบาดไม่ลังแล้วเมือ่อเสียท่านับแต่มีอายุเจ็ดปีไม่เป็นว่าไม้เสียเฉลี่ยพิษมนุษย์ส่วนเป็นว่าไม้เสียเฉลี่ยพิษมนุษย์กอยกไม้ส่วนหนึ่งส่วนที่ไม่เป็นว่าไม้เสียเฉลี่ยพิษมนุษย์ท่าเช้าโรคมีชิียท่าโมเลกุลแล้ว สงครามจะมีมาจากประตูใดละ่ะเรือนจำก็ไม่ต้องมีเซ้าตรวนก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีใช่เรือ่อยๆนจริงอยู่ไม่มีการวังคือทีนี่ ต่อไปนี่มันนานแล้วก็จะให้พรนลยยะทาวาริวหาปูราพริรปุเรนติสาคลังเอวเมวายโตทินังเปตานังโปปะติอิธีังเปทิตังตูมหังเทพเมวัจมิจตุเจเพปูเรนตูสังกัปปาจันโทเปนระโซยะามณีโคเทระโซยะาสัพพีพโยวัจันโทสัพปทุโคสัพปะโยสัพโรโควินั สัตุมาเทพระวัวนทรายโยสุขีตีคาโยโกพระอภิวาธนสีนิสารนิจังวุฒาปจายโนจ ต, ตารโอธรมาวทันติอายุวนันโนสุขังพระลังด้วยเนธพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข่าไม่มีประมาณแล้วก็ทรงมีโยทุกการด้วยไม่ขึ้นยกกระเพื่รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นหยกกระเพื่เชื่อและไม่เชื่อ และคนเนื้อโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไมปในมาในที่นี้ก็ดีรรต้องมทั้งตรโรกาจงประาสดแต่ความสุขความเจริญในบาวารพพุทธศาสนาของพระสมัยเทวพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยทอบทุกทว น, น้าอยู่โดยทุกเมื่อเธอหนังชาักธรรบุญขำบุญก็ไปฉลองบุญอยู่ที่ใด ทำบาก็ไปฉลองมาป ย, ย่ไทแม่ก็หยาดน้าอีนานะมันมันไปหาเองไม่ได้ต้เงาข้อย่างของเ ข, ข, ข, ข, ข, ขงลแล้วก็ดีทาดีมันก็ดีไปบวกอยู่ที่ไทยทำชั่วเข้าไปชั่วอยู่ที่ไทยไม่ได้ไปชั่วที่ฝ่าฝาอะไร ท, นทีนี่ชั่นี้ศึกษาหมามากแม่ไม่ชอบพูดมาก <c oughs> <c oughs> โง่หัวใจตีบด้วย <c oughs> S <S โรคกระเพาะด้วยโรคท้องผูกด้วยโรคลูกมากโตปัทลว ะ, วะไม่สะดวกด้วยโรคถุงน้ำดีเป็นนิ้วด้วยโรคตะเคียวด้วย โรเย็นแข้งเย็นขาด้วยขอให้พี่น้องสาวพุทธไม่ความเจริญอยู่ทุกเมืองในทางที่ชอบอยู่ทุกเมืองนั่นก็กาเทือน เขาว่าเขาหามว่าลงปูเว่าหลายเว่ามาเจ๊เซ่ามานี่ดอกจกักรลาดค่วมค้นแฮงมาค้นเว่ารู้ช่ำ คำหมอกหมอย่ค่อยตายแทนเอลีมันลวงปูนี่แหละแปดสิบกลัวละอายุอ่ะแปดสิบกล้วเด็กกันเมื่อกียมตัวตายเด้วแปดสิบกลักวละตัวชีวิตกหาใจเขา่าตัวชีวิตกหาใจออกท่นานคนแปดสิบหใจออกไม่เข้าก็เล่าว่าตายหายจะเข้าไม่ออกก็บอกว่าตาย อานนอานนนนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งวันละร้อยครั้งพระเจ้าค้าเออเธอยังประมาทอยู่อานนนนึกทุกลมหายใจเขาออกยิ่งดีคำสอนพระพุทธเจ้า สอนให้ละชั่วทำดีตรองจงทํากิตให้บันเทิงในการละชั่วทําดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าจงเป็นผู้ใจถึงในทางทําดีเถิดอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทําชั่วเลยจงเป็นผู้มีอิสระในทางทําดีเถิด อย่าเป็นผู้มีอิสระในทางทำชั่วเลยจงเ อ, เอาความจำเป็นออกทำดีเถิด อ, อย่าได้อ้างความจำเป็นว่าจะทำชั่วจงอ้างความจำเป็นว่าจะได้ทำดีอย่าไปอ้างความจำเป็นว่าจะได้ทำชั่วเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีเถิด อย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทําชั่วเลยพระบรมศาสดาจงใช้เวลาทําดีเถิด อ, อย่าใช้เวลาทําชั่วเลยอย่าได้เปลืองเวลาทําชั่วเลยจงเชียด้เวลาทําดีเถิด อย่าเอาเวลามาประกอบความชั่วเลยจงเอาเวลาประกอบความชั่วอทําดีเถิดพระพุทธมัสกาาสอนจงนึกไปทางดีอย่าไปนึกในทางชั่วจง ส, งส่งเสริมตนเองไปทางดีเถิดอย่า ส, งส่งเสริมตนเองไปทางชั่วเลยพระพุทธมัสกาา จงเป็นผู้รักความดีเถิดอย่าเป็นผู้รักความชั่วเลยพรธธะบรมศาลาจงนึกแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและท่านผู้อื่นอย่านึกเบียดเบียนตนและท่านผู้อื่นเลยพระบรมศาลามัคคา ร, รมนาธรรมามัคคารมของเธออารมณ์ของเธอจงนึกไปในทางดีอย่านึกไปในทางชั่วเลย พระบร ม, ามาศาสาดาจิตใจสำหรับนึกคิดแต่อย่านึกคิดไปทางชั่วจงนึกคิดไปทางดีเถิดจงจงนึกคิดไปทางให้สบายใจเถิดอย่านึกคิดไปในทางให้ลำบากใจเลยจงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดีเถิด อย่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำชั่วเลยจงเอาความดีมาอวดตนเถิด อ, อย่าเอาความชั่วมาอวดตนพระบรมสารราความตริกเป็นเครื่องสัญจรของโลกจงตริกไปในทางทำดีเถิด อ, อย่าตรึกไปในทางชั่วเลยจงเว้นซัก จงกินอาหารแต่เป็นอาหารที่สบายอย่าไปกินอาหารในทางที่ขัดต่อร่างกายจงนึกแต่ทางดีทางช่วยอย่านึกมาให้ขัดกับจิตเลยพระรมศาศาศาัาราหลังสำรับนอนขวักน้าก็อย่านอนตาสำรับดูสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าดูใจสำรับนึกคิดสิ่งที่ไม่เป็นนึกคิดก็อย่าสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็อย่านึกคิด ใจมีคุณเป็นมหันตมีโทษเป็นอ น, นันต์จงนึกแต่ทางที่เป็นประโยชน์เถิดนอกจากใจก็ไม่มีอัะไรจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอัะไรจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีทําชั่วให้เกิดขึ้นแก่ตัวใจเป็นที่พึ่งของใจเถิดใจอย่าเวีดเบียนใจเลยพระบรมศาสีา ไม่ประโยชน์ด้วยประการสิ่งสันใดจึงด้ท่งรั่วพันรวงล่มมาพี่ท่างห้อมหายหัวผู้ส น, นีบคันลิธเดชว่ากา้าสิมาใดดัดงใด น, นี่ดีคำโบราง แสงไปภะยในผ่านอันว่าไม่โรคไม่โกรธไม่รม้งว่ามีเกิดว่ามีแก้ว่ามีเก็บว่าไม่ตาก็ปฏิเสธว่าใดเหมือนกันมันหิวเขาจึงได้กินเขาไวหวฉันมันว่หิวก็ได้กินเขาก็ปฏิเสธกินเขาไ ว, ไว่ไใดเหือนกันในสักคนในร่างกายมันเป็นโรคก็ปฏิเสธไปห้าหมอว่าใดเคือกัน พริเจษฎรักษาอะไรเหมือนกันในโลกมิตรกองทุกสุกวาไมื่อเลยสุขของเกิดหัดก็มีอยู่สี่อย่างสุขเกิดแต่ความมีทรัพซุขเกิดแต่จ่ายทรัพบริโภคซุกเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นศินถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอานิจัง เกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนปวน แ, แต่สลายไปเมื่อหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นการปฏิบัติเพื่อจะไปสู่ความสุขยั่งยืนคือพระน涅์ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันเมื่อโมโูหโทโสมีอยู่ การจะแผ่เมตตาก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันเมื่อร้อนมีอยู่การปาดถนารเย็นก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันเมื่อความขี้เกียจมีอยู่ จะเว้นความขยันก็ไม่ได้เหมือนกันเมื่อความโง่มีอยู่ก็จําเป็นต้องการปรารถนาความปัญญาปัญญาเหมือนกันเมื่อมืดมีอยู่ความปรารถนาสว่างก็ต้องมีอยู่เหมือนกัน ในในโลล้วนอนิจจ์ได mm ้ในโลกล้วนทุกขังในในโลก้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อเห็นทุกในปัจจุบันทุกในอดีตทุกในอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อโลกเต็มไปด้วยกองทุกข์ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วความเย็นดีในโลกทั้งปวงก็ละอาเมื่อละอาความทัศนียาพในโลกทั้งปวง น้อยลงแล้วตัณหาคือทุกทางไกลก็เบาลงนักหาความสุขในโลกพระหันจำพวกเดียวมันไม่เจอมันไม่เจอมันไม่พบมันไม่ปะเหตุนั้นท่านจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซักข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลง แล้เขาเข้าสู่พระานไปวิญญาณปฏิสนธิก็ไม่มาเกิดแก่เก็บตายในโลกทั้งหลายอีกก็เข้าสู่พระานไปซักเรียกว่าท่านพู้นั้นบารมีแก่กล้ามาแล้วเห็นอ น, นิจจังขณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความไม่เที่ยง เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เห็นทะลุภูเขาใช่ไหมเพราะภูเขาก็แตกกระเจิงเป็นสุขของเครือัดมีอยู่สี่อย่างสุขเกิดแต่ความไม่ทรัสุขเกิดแต่ใจทรัพย์บอดีโภค สุขเกิดแต่ความไม่เป็นนี่เป็นศินสุขเกิดแต่ทำงานที่ปาฏิจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอานิจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนได้แตกสลายสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่อยู่ในอำนาจวาชนาของใครเพราะมันเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ไปตามอำเภอใจของมันจะห้ามปรามก็ไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปรวนตาม อิทธิพลของมันมันก็ดับไปตามอิทธิพลของมันก็ไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของใครผู้ใดมีเศนห้าบริบูรณ์ผู้ใ ด, ม ไ, ดไม่เว้นผู้ใดเว้นอาบายมุกผู้ใดไม่ถืออยู่ยงคงกระพันผู้ใดไม่ถือเรื่องดียามดี ผู้ใดไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดอบายมุกไม่เสียดายอยากค่าขายมนุษย์ค่าขายเครื่องประหารค่าขายสัตว์เป็นเลี้ยงสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายนําเมาค่าขายยาพิษท่านผู้นั้นได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติได้พรหมสมบัติได้นิพพานสมบัติอยู่ในตัวแล้วท่านผู้นั้นเป็นวันเดือนข้างขึ้นเดี๋ยวจะ เป็นวันเป็นรุดหน้าไปบานหน้าไปสู่วันเป็นแต่ไม่กลับมารมเร็มอีกมนุษย์สมบัติคืออะไรก็คือเว้นอบายะมุกทุกประเภทถ้าไม่เว้นอบายะมุกทุกประเทศแล้วมนุษย์สมบัติก็แตกกระเจิงสวรรค์สมบัติก็แตกกระเจิงพรหมสมบัติก็แตกกระเจิงเนิ้พานสมบัติก็แตกกระเจิงไปในตัวเรียกว่ามไม่พัฒนา พัฒนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิพานสมบัติก็คือเวนอบัยยมุขสิ่งใดไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หลักใจพระโสดาบันไม่เสียดายอยากจะล่วงอวัยยมุขไม่เสียดายอยากจะล่วงศสินท่าไม่เสียดายอยากจะถือศาสตาอื่น ไม่เชียดาอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันท่านนั้นข้ามพุทธชนคนคนหนาไปแล้วไปสู่โลกุตรภูมิจิตภูมิใจข้ามูุทุชนคนหนาไปแล้วในมนุษย์สมบัติเต็มภูมิสวรรค์สมบัติเต็มภูมิสมสมบัติเต็มภูมินี้ผ่านสมบัติเต็มภูมิไปในตัวแล้วถ้าไม่อย่างนั้นก็ถอยหลัง หรือเป็นน้ำไหลวนเป็นคนหลายใจเป็นมดไต่ขอบกระดงคำสอนดดดดใดๆในไต่โลกธาตุไม่เหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบั ต, บติพรังสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวแล้ว ไม่มีศาสนาใดๆจะมาสอนยิ่งไปกว่าพระพุทธศาสนาเลยเหตุนั้นจึงเคารับนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้เคารพนับถือแบบโง่ๆสัพพะตยโรกธาตจะเบียดเบียนพระพุทธศาสนาในทางตรงและทางอ้อมลึกและตื้นก็าตามก็เท่ากับว่ากองทัพน้ำลายม้วนขึ้นฟ้า ตรงใส่หน้าของใครของมันมีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้หรือไม่ไม่มีใครทำลายได้เลยพระทาลายพระพุทธศาสนาก็คือทำลายตนเองนั่นเองพระตนคือใจใจคือตนตามสมมติแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้กระเทือนด้วย คนดีมีสืบโลกสืบพระพุทธศาสนาอยู่ถ้าไม่มีคนดีสืบโลกสืบพระพุทธศาสนาอยู่ความดีก็ไม่มีในโลกเหตุไหนความดีจึงมีในโลกก็พระมีผู้สือบอยู่ผู้วาไม่ไมีแก้ฆ้ามาแล้วก็ต้องสืบความดีของตนผู้บรณมียังอ่อนอยู่ก็บอกไม่ถูกแมลงพึ่ง ก็สืบประเพณีของตนไหว้คือเกสรศนกไม้แมลงวันก็สืบประเพณีของตนไหว้คือมูดคูดของใครของมันใช่หรือไม่แมลงวันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันแมล็ดู้แมลงดพึง่งมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันมันก็บอกว่าสังคมนิยมแต่มันก็ถูกกับแมลงดพึง่งแต่มันก็ถูกกับแมลงวัน พระถูกของใครของมันใช่หรือไม่จงเป็นผู้ใจถึงในทางทาดีเถิด อ, อย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยพระบรมศาสนาสอนจงเอาความจำเป็นมาออกใช่ด้วยว่าจำเป็นจะได้ทำความดีอย่าเอาความเป็นจำเป็นมาจะได้ทำความชั่ว ผู้ทำความชั่วก็เอาความจำเป็นออกมาอ้างเหมือนกันผู้ทำความดีก็เอาความจำเป็นออกมาอ้างเหมือนกันความจำเป็นทั้งสองฝ่ายนี่อันไหนจะดีกว่ากันผู้ทำชั่วก็บอกว่ามีอิสระจะทำชั่วผู้ทำดีก็บอกว่ามีอิสระจะทำดีมีอัตราอิสระทั้งสองฝ่ายนี่อันไหนดีกว่ากันจงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดีเถิด อย่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำชั่วเลยทำดีก็ไปรับผลดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปรับผลชั่วอยู่ที่ใจไม่จะไปรับในดินฝ้าอากาศเลยเทำดีก็ทําให้ตนคือใจทําชั่วก็ทําให้ตนคือใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะทําชั่วให้ใจสวัสดีปีใหม่ แต่เป็นปีเก่าที่ล่วงมาแล้วแต่ก็ใกล้จะตายกว่าปีตายนี่ใช่ไหมเราไม่ทำดีความสวัสดีจะมาจากประตูใดเราทำดีความสวัสดีจริงจะมาหายใจเราไม่ทำดีความสวัสดีจะมาอยู่ที่ไห น, นอันนั้นมันเป็นเรื่องให้พรกันฉันมิชิดเมตตาต่าง เป็นสัมมาจาัย์พระาพระพริ่งเองธรร ม, มะเฉยๆเขาจะให้พรพะาเราเลยผมทานเพลิงอยู่แล้วทีนี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วยันเ้าวานิดีวฟุลราปริฟุรินติสากลังเอเมว่าอิโต้จินังเปตาดังอุปกระเพื่อทีจิตังพะจิตังตรงทางเกี่ยวกเบมว่าสามิชาตุ สเพปูเรนตุสังกปาจันโทกนรโสยถามณีโสเทโสยะถาสักีติโยมิวัดกันเตสัพโตโยโกวินัสนัตตมาเตโสวันตราโยสุขีติชายโยโกธรรมะอภิวาชนะสีมิสสะมิจังวิจาปรปชายิโยจัจารูธรรมาวัตการเจอายุวันเมสุขังฝรั่งให้พรกันอยู่ไปที่ไหนก็ให้พรกันอยู่ให้พรกันอย่างนั้น ก็ไม่มีใครอยากจะทําดีไม่ว่าท่านผู้อื่นหรือเราก็เหมือนกันถ้ามาให้พรกันเชื่แล้กไ็ไม่มีใครพูดทําดีเลยให้พรกันไหวถึงอย่างนั้นก็ไม่อยากจะทําดีเราก็เหมือนกันท่านผู้อื่นก็เหมือนกันระยำแทค่เราดีท่านผู้อื่นก็ดีใช่ไหม <laughs> <laughs> <laughs> มดสางคํานําด้วย หลวงปู่ไปเจอไปจบโลกเป็นโผตายยอมเป็นยอมตายก็พระพุทธาศาสนาขนาดไหนก็จะได้รู้กันต้องอนะ่<อ><อ>นะชี้ว่าปวัติอ่านให้มันหมดแลวงปูเขียน ท, ทั้งนั้นจำพวกนันเยอะจ้ะทำในของทบทำอะไรเรื่ึกใดเรื่อง้ก็ดีขาดจองขาดด้วยทุกเมืองมีด ป, ประมาณเรื่ ง, งั้นไหนจะลุกขัเนไหน เซลูกบ้านอะไรเซลูกไปว่าจะกูทำนั่ ง, นนงกับว่านอนอีกนั่กับว่าตัดไม่โรคหลายแนวไม่หกเก็ดแปดเก่าแนวไม่โรคหลายอย่างเก็ดแปดเก่าอยางโรคสลาเป็นหัวจากเขาโรคทุ่งดังดีเป็นเหนียวโรกสาหร่พัด แกมาเนี่ยแกมาเนี่ยได้โปรดหลวแล้วเรื่องใด่เรื่องดขออกายทํายชีวิตขอพพุทธจ้าธรรมประสงค์อยู่ทงมือแล้วเรื่อว่าเก็ดีขอึงทึ่งพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทงมือแล้วเรื่ด่าเรื่ก็ดีขอขบันทอดพระพุทธาธรรมประสงค์อยู่ทกมือแล้วเรใด่าเรื่อดก็ดีขอองคกายทํายชีวิต และคิดใจต่อ พ, พระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่งมือได้พรถึงได้ก็ดีเขาเป็นขาเป็นถาดพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่ตรงมือตามตาเท่าของขอสุภเนี้ภาผลจากทุกเนวะตาสงสารอยู่ตรเมือมันมีพมาณร อ, องขาเถิดรองมดเลื่องเท่านั้นไปทา้งนด้กับพระวนาพุโทโธทับโม ท, ทั้งขอก็อย่นำการนั่นแหละเป็นเชือกสามเกี่ยวพุโทโธแปลว่า หลัวละบาบันเพ่นบุญทำโม่ช่องใหม่สึงหลัวะบาช่รงไหม่สึงระบาบันเพ่นบุญสังโค่ปัิบัตระบาบันเพ่นบุญตกงลงทโทษทำโมสังโคก็เป็นเสือกสามเกี่ยวก้อมกันพันเข่าอยู่แนหัวใจเขาเนี่ยมันอยู่มันอื่นเอาไว้ใจเนี่เอาไว้เนอื่นมันลืมเอาไว้ใจมันไม่ลืมเนาะเห็นก็เห็นยายนี่เพเห็นกับเพราะเห็นยายนี่ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นก็เห็นอยู่ใจขันว่เห็นก็เห็นอยู่ใจเพราะใจเป็นผู้ปฏิบัติมันก็อยู่ใจเพราะใจเป็นผู้เหลือมใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขันใจผู้เหลือใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับมีอยู่ในใจขันใจเหลือใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับง่อยห้อยใจพุทธะสาหัสสัมมิทาโสะย่อมเป็นคาเป็นทาตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธะสาหัสสัมมิทาชีวะ น้องเป็นคาเป็นธาตุพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมือที่ดวงใจยังกินจีรัตนังโลเกวิจติวิธังพุทธรัตนังพุทธะสมังนติตัตถะตัวเตี่ยพวันเตี้ยรัตนะอันใดในโลกนี้จะเส่อเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยนัติเมสันนังอันยังสถานะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อนั้นเป็นสถรณะของข้าพเจ้า เมื่อกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เราอยู่ทุกเมือ่อทุเรือนไอป่ะไอพ่อไอพ่อไอพ่อไอพ่อไอพ่อนอพ่อนอพ่อ ยะถาวานิวาาปุราปิปุเรนติสักรังเอวเมวายโตตินังเปตานังโะคปินิติังปฏิังตุมังเกวัเมวสมิตตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโทปนสโวยะถามณีโสยะาสีิโยยวจฉสรโวินัจะตุาเทพวตวนตาโยสุีธีกายยโคภอภิวาตาสีนิตาเนจังโมาชาญโนจตารุธมะวัันติารวันสุขังปะังไป โดยเด็กพุทธศาสนาอันทรงคนข้าไม่มีประมาณและทรงก็ทงลงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ใครจะรู้แล้วไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าต้งทั้งไตรโลกาต้องไปสดแต่ความสุขความเจริญในบระวาระพุทธศาสนาพระพุทธมารัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกท่านหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเื อ, อไป แม่บ้านตายแล้วเห้เรามาบวชอีกสองพันอยแปดสิ 16. ย่เท่าเสมอเข้าวกรนเป็นผู้เบาอย่าซีพันศบวชเล่นสามพันศาพระพันศาหนึงล่าชี้ขาออกมาแล้วมา่งข้องฆราวาสอยู่10 ป, ปีคนแล้วจังได้มาบวชอีกว่าเที่ยงนอ น, น, นอยังห้าเนี่ยบ่กหรือว่าก๊บอบเนียบ่ะ นี่หรอวัดโตมี่ไฟฝ่าเขาอยู่ตัวมีวัดฝ่านันแหละมันเปียงสือว่านี่เนาะมันโดนนะนี่ยโตเฮียนนะครับเอกแม่ไหมรือเรียนบารี่นะครับพ่อบบเขาเปลียนนะครับตีบบเบาเปลี่ยนมิตรภามันหน้าเอาเออแล้มันจังหวะฝูงสาน มันได้หลายแล้วมันฝูงสัตวมันพาวนานาบ้าลงมันแรงประโยชนน้ำหนังสือผุนกับพ่วนาหามันแรนร ย, ยนนนานําห น, น, นังสือกายบวชปฏิวัติเพื่อคนทุกปัญหาประมากได้ไม่น้อยเดี๋ยวเ น, นื้อกำลัดร้องไห้จเข้าออกเมียนมัดเอาโหลด คุนพระทระรมระสงค์ก็ไม่ยอทุกรมหายใจคอขุนพ่อขุนแม่ก็ไม่ยทุกข์ร่วมหายใจคออันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็ไม่ยทุกร่มหายใจคอแปดมือที่พระธรรมคันก็ไม่ยทุกร่มหายใจคอกัจับร่มถือก่นอ่านถือปั้นตลอดเว้นไว้จะระหยดอานแล้หายใจเขาครั้งหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งละแลมหายใจเขาออกครั้งหนึ่งเห็นโลกรอบนึง เห็นความเกิดความรอดเห็นความบรมันบรเทียงคณะคิดหนึ่งก็าเห็นโลกรอบหนึ่งละโลกเต็มไปด้วยความบรมันบรเทียงเห็นอนนี้จังคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วนะเห็นทุกคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนมีแต่สังขารและกองทุกรอบหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเหตุนั้นความสงสัยในโลกทั้งปวงจึงไม่มีแก่ผู้เจริญด้วาปัญญา จเจริญนี้ปัษษปญญามิปัญนาแปลว่ามิปัญนาธุระคือปัญญาธุระก็มีความหมายอันเดียวกันคือธุระทางปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้าผู้จะรักษาศีลในบริสุทธิ์ก็มีปัญญาเป็นในหน้าผู้จะทําสมาธิให้เกิดขึ้นก็มีปัญญาเป็นในหน้าผู้จะรับ รู้ร่าปัญญาก็ต้องมีปัญญาเป็นนหน้าอีกเหมือนกันเหตุนั้นศีล ส, สมาธิปัญญาจึงกลมกลืกนกนักนอยู่ในปัจจุบันศีลสมาธิปัญญาของพระโสดาบันศีล ส, สมาธิปัญญาของสัพพทาคามีศีล ส, สมาธิปัญญาของพระอนาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระอรหันต์พระอรหันต์จบศีลสมาธิปัญญาแล้ว พระเป็นศีลที่ไม่มีโรคมีโกรธมีหลงพระเป็นสมาธิที่ไม่มีโรคมีโกรธมีหลงพระเป็นปัญญาที่ไม่มีโรคมีโกรธมีหลงมีความหมายเดียวกันใครอยากถึงพระโสดาวันอย่าเสียดายหลวงละเมิดชิ้นห้ายาเสียดายห่วงละเมิดอบ า, ายมุกย่าเสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกรพันย่าเสียดายอยากจะถือเลิกดียามดี ยาเสียดายอยากจะค่าขายเครื่องปหารค้าขายมาลุกงค้าขายสัตว์เป็นในไรนสัตว์เทต่อค้าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำมานค้าขายยาพิษอย่าเสียดายอยากร้องละเมิดเลยอย่าเสียดายอยากถือศาสตราอื่น่าเสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพั์สิ่งใดไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจ เชเราไม่เสียดายอยากลงลุยหลุมฐานเพลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจเราไม่เสียดายอยากเอาน้ําลายคืนมาอีกมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจเพราะบ้วนทิ้งแล้วถ่ายมามาคนเดียวเทวบทผู้นีบบ่มาผู้เดียวนี่ไม่จักใส่ไหนโม่ยโม่ยพูดยังไงนํา มาจากไหนมาจากท่าพนมหรอดิไปท่าพนมหรอโตกยัง่ะเออห้อยังไงโอ้ เสนาสมาคมพ้นให่อาวัดประชาชนไว้เส ร, ราสมาคมพน้พนพน้นพ้นหายให้ขันว่าอาวัดประชาชนในโลกเนี่มีสุปไหม ในโลกมีแต่ทุกข์สุขของขึ้นหัดไม่อยู่สี่อย่างสุขเกิดแต่ความไม่รัพ์สุขเกิดแต่ใทรั์บริโภคสุขเกิดแต่ไม่เป็นหนี้เป็นศินสุขเกิดแต่ทำงานที่ภาสิกาโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้องงานาจอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายเห็นอนิจจังคณะทีหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว เห็นอธิจังในปัจจุบันอธิจังในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยพระเอาปัจจุบันเป็นพยานเองมีทั้งหนังและเขาด้วยอดีตล่วงไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงมีแต่บัญชีอดีตมีแต่บัญชีใช่ไปแล้วอนาคตมีแต่บัญชียังไม่มาถึงเอาปัจจุบันเป็นพยานเอาโลคปัจจุบันเป็นพยานเมื่อเห็นโลคปัจจุบันเป็นทุกข์โลกอดีตโลกอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยโลกภายในคืออะไรบ้าง คือรูปกายนามกายที่สมมุติว่าเราเรานี่เองโลกภายนอกก็คือรูปกายนามกายของท่านผู้อื่นและสัตว์อื่นสัตว์โลกโลกคือโม่สัตว์โมกา์โลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะกามาภิสาะหกชั้นพรหมโลกได้แก่โลกประภมเจหกชั้นและอลกประภมสี่ชั้น โลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขารโลกแบ่งออกเป็นสองอุปาทินกะสังขารสังขารา ummer, ขาขาไม่มีใจครองอนุปาทินกะสังขารสังขารที่มมีใจครองสังขารทั้งสองนี่แหละเรียกว่าโลกรูปประโลกก็ว่านามโลกก็ว่ารูปสังข า, ารก็ว่ารูปธรรมก็ว่านามธรรมก็ว่ารูปประโลกก็ว่าอรูประโลกก็ว่ า, า, กกวามีความหมายอันเดียวกัน รู ป, ประธาต์ก็ว่าอารู ป, ประธาต์ก็ว่ า, ารูปธรรมก็ว่าอารูปธรรมก็ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายก็ไม่สงสัยในโลกทั้งปวงก็ไม่สงสัยในสังขารทาั้งปวงแล้วก็ละความยินดีในโลกทั้งปวงพระบรมศาสดาบอกว่าเธอจงอย่ายินดี ในโลกทั้งปวงเธ อ, อเธอยินดีในโลกทั้งปวงก็คือเธอยินดีในหลุมฐานเพลิงนั่นเองเธอจงยินดีในพระในฟานซึ่งไม่มาเกิดแก่เก็บตายนั่นเถิดพระองค์สัาสอนพระรหารเก่งทางหาศขในโลก มันไม่เจอมันไม่เจอมันไม่พบมันไม่ปักมันไม่เห็นเห็นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายเห็นแต่อันนี้จังชัดก็ว่าได้เห็นแต่ทุกชัดก็ว่าได้เห็นแต่อนัตตาชัดก็ว่าได้อันนี้จังทุกครั้งอนัตตามันก็อยู่เป้าอันเดียวกันคือเป้าปัจจุบันนั่นเองเมื่อเห็นชัดแล้วอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเหตุ น, นั้น จึงเบื่อหน่ายความหลงของตนที่เคยหลงมาแล้วข้ามทะเลหลงของตนไปสักจัวรัดเหนือเดียวเลยข้ามความหลงด้วยความไม่หลงข้ามความลืมตัวลืมใจรืมทำด้วยความไม่ลืมตัวลืมใจลืมทำ ผู้ใดยินดีในโรคทั้งปวงก็คือยินดีในหลวงฐานเพลิงเราดีๆเองผู้ใดยินดีในพระนิพพานก็คือผู้ยินดีในสุขนั่นเองก็คือผู้มีดวงตาเห็นธรรมนั่นเองก็คือผู้เห็นฝังแห่งความไม่หลงนั่นเองข้าความหลงด้วยความไม่หลงข้ามความเกียจข้าด้วยความขยัน ข้ามความเพลินในวัฏสงสารด้วยความไม่เพลินในวัฏสงสารผู้เพลินในวัฏสงสารเหมือนมรงเม้าเพลินในไฟตะเกียงนั่นเองพระบรมศาสดาสอนให้เป็นผู้ชนะความหลงของตนด้วยความไม่หลงของตนชนะเวรภัยตนด้วยความไม่มีเวรไม่ภัยตน มีชิ้นห้าบริบูรณ์ก็คือปลดอาวุธของเวียนไพร์ถ้าไม่ใครไม่เสียดายอยากปฏิบัติชิ้นห้าพนั่นก็ไม่เสียดายอยากจะปลดอาวุธเพราะจะเอาเอ า, อาวุธเวียนไพไหว้สนองเวียนสนองไพร์อีกพอเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็ปลดทิ้งซะแล้วเอาอาวุธอันที่ไม่เวียนในไพมาเข้าที่ดวงใจเอาถ้าชาวโลกมีชิ้นห้าบริบูรณ์เว้นไว้แต่ว่าไว้เสียจิตผิดมนุษย์ซะ ส่วไม่ว่าว่าพิษณุยาเจริญพิศมนุษย์ก็มีศีนามรดวนสงรามันก็ไม่มีรตรนก็ไม่มีทหารก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีนอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างไปทางไหนก็ไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายไม่มีใครต้มตุ๋นขายของก็ไม่ต้องเฝ้าอันนี้ราคาเท่านั้นอันนี้ราคาเท่านี้แล้วก็เขาเกงว่า ลมจะพัดกระดาษหนีเพราะตังใส้กระดาษเขาก็เอาอะไรมาทับไว้ตอนเย็นล้วก็มาตรวจเอาตรวจเอาของอันนั้นกูไม่เห็นของอันนี้นกูไม่เห็นเลยตรวจเอาเงินเลยโซตัวนก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีจี่พ้นก็ไม่ต้องมีลกเอกก็ไม่ต้องมีพราะยิ น, นีแต่เพเมียของตนตัดไฟต้นลมแล้วช่อโกงฆ่า กันตายในตรอกห้วยราวดอยหรือในพระนครหลวงหรือในจังหวัดหรือในอำเภอตำบลหมู่บ้านก็ไม่มีนอกจากโรคกระทําให้ตายหรือสิ้นอายุไขตามธรรมชาติเท่านั้นหรือบางทีไปเจอรบทับทับเท่านั้นจะค่ากันตายไม่มีของก็ไม่ต้อง มีเวรมียามเลยสบายมากเพียงเียหน้าเสียคาบทฆ่าพ่อเท่านั้นไม่ต้องตั้งกฎหมายมากนี่ตั้งกฎหมายตั้งรัฐธรรมนูญตรามันก็มาอยู่ชาวโลกเพราะกิเลสมันมีมันไม่ระ ง, งับกิเลสทําเป็นโลกระบาลคุค้มครองโลกทองอยางความละอายต่อบาดความกลัวต่อบาดเท่านั้นจะคุค้มครองโลกได้พระพุทธศาสนามายืนยันเท่านั้นไม่ได้ยืนยันว่าลูกระเบิดนิวเคลียร์โรคระเบิดปรมาณูเอมสิบหกเอ็มสามสิบสองไม่ได้ว่ายอย่างนั้น ถูกไหมโอ้ยเหนื่อยแล้วทีนี่เอาละเหนื่อยแล้วยะาวันิวะฮาภราภิเรโิยะาสังเรียโยโชนะเปตานังมปกปติจิตังกจิตังตัวหลังเิูมิวมิสตุกเปตูเรนตสังกปารจันโพปะรัโยะธโยเนโยาพิโโยสัพพะโพยนมาเตวตวนตระโยสุขีติคายโภโอภิวัตนสี นิสานิจ like an okay, ังวิชาปิชาโยนชาตโรธมวัันติอายุวันสุขังภะหลังจุกเปนจุกไปใช่ไหมเออแลตัวได้นักเสือเราเอาหนังซสือหายสักตัวไปะได้หรือเเคยได้หรือเราบูอะไรนักเสืเอาหอยหายสักภะมเอ้ยพะบ่ได้ฮอนเป็นอาไอไปอานเด้อ อ่านทำมันจบได้ดีป่ดีมันจบสักกันเจ้าฝ่าว่าดีว่าป่ดีอ่านจะว่าจบเลยล่ะดีป่ดียกไปสักกันอ่านให้มันจบเจ้าฝ่าว่าป่ะดีเขาคําน้าเขาเขียนเ่ยมันได้อ่านมัดน่ะเขาเขียนเขาเพี้ยนมันได้อ่านมดเพื่อได้เก่งเพื่อได้เก่งอ่านชื่อว่าปวัดอ่านชื่อว่าปวัดเท่าให้จบขันําตามอะไรมาเขียมเท่า เขาจะเอ็นหลังให้เจ็บอดุลจะเอาไปผ่าไปตักเราก็บอกว่าขอบพระคุณดูถ้าก็ว่าผ่าแล้วหายแล้วพเพก็จิตนาดีแต่อัตมาภาพได้ตั้งสมาทานไว้ว่าจะไม่พ่าไม่ตัดใดๆทั้งสิ้นและจะไม่ไปนอนในค้างคืนในโรงพยาบาลด้วย มันเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนั้นก็ เ, เลยอธิบายให้การฟังร้ายเหลี่ยมร้ายในจึนก็เลยสั่นศีรศั์เลยสู้ไม่ไหวคุณมักอุดมรู้จักไหมที่เขาคุณมักอุดมที่เขาจบกเกษียณ น, นี่เคยเป็นโรงพยาบาลหัวหน้าโรงพยาบาลชินิราชเคยเป็นรัฐมนตรี เอเข้าใจนะแล้วผ่านมาหลายครั้งเขาจะเอาลูงผู่ไปผ่าไปตัดลูงปู่เป็นโรคร้ายอย่างหกครั้งเจ็ดครั้งเขาจะมาเอาครั้งหนึ่งเขาก็หลอกไปโรงพยาบาลเมิติเวศแต่ก็สู้ลูงปู้ไม่ได้พอไปถึงแล้วเขาก็จะผ่าจะตัด เออลวงหลวงปู่มาอันอื่นแล้วก็จะมาผ่าวมาตัดหลวงปู่สมาทานแม่ผ่าแม่ตัดสมาทานไม่นอนข้างคืนในโรงพยาบาลแเขาก็เลยเอาสิ่งที่รวงเราไปแล้วก็เลยมาในวันนั้นพอไปถึงกรุงเทพมันก็ห้าโมงเช้าเราไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็2ยี่สิบนาฬิกาเขาก็ส่งคืนมากับ พ่อแม่นอนเขาก็มาพ่อเมกันมันเขาลึกเหมือนกันคนกรุงเทพไม่ใช่คนโงโง่เขาก็ตามมาส่งเหมือนกันเขาคงจะลองดูเราว่าคนวันนอกวัานนาไม่เคยเห็นดวงพยาบาลโกโก้เก๋ๆก็คงจะผ่าจะตัดกระมังเขาก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่เราก็รักษาคําเดิมไว้เออหลวงหลวงปู่มา เพื่อจะตรวจโรคอันอื่นฉะนี้นเจ่งมาให้ลุงปู่ผ่ากัดเออมันได้มาแล้วมันเสียที่เนี่ยคุณหมอพูดดีจะเกิน <c oughs> แล้วก็บอกว่าขอบพระคุณอยู่ถ้านก็บว่าผ่าแล้วหายแล้วเพราะเจตนาดีแต่คำสัจจะที่องค์ลงปู่ได้ตั้งไว้นั้นจะลบเรือนไม่ได้เพราะเทวดาชั้นสูงคนใจสูงคอยมองดูว่า หลวงปู่จะมีสัตว์จริงเพียงแค่ใดอย่างนี้เป็นต้นพูดกันไปมากก่อนสามสี่ห้านาทีก็สู้หลวงปู่ไม่ไหวีนี้เออถ้าอย่างนั้นก็เอาคำเดิมที่ไปรองหลวงปู่มาซักใหปปฏิบัติตามคำเดิมพวกนั้นมาด้วยกันใช่ไหมเป็นทีมพวกลลกๆรา้รานทำงานอยู่แค่นั้นนานไหม ฮะ11โรงพยาบาลจุราลงกรเออโรงพยาบาลจุลาลงกรตั้งนานแล้วตั้งแต่ล้อมปูอายุ15ปีโรงพยาบาลจุลาลงกรตั้งนานแล้ว ที่นี่พวกคุณมาจากไหนมามาจากจังหวัดนันมหาลัยชาติที่นี่เราตอบยัดหมายคุณหมอรประดิษฐ์เจริญไทยสวีกับพระหมบรบรมมหาราชาอยากจะฟังไหมอยากจะฟังไหมหลวงปู่ตอบยดหมายท่านเขียนจดหมายมาหายอย่างพิจารณาเมื่อไหร่ถเขียอด้วยทำไมถึงตอบได้ ในทางที่ดีก็มีานทางเดียวพระองค์ไหนจะไปสักค่าด้วยต้องรีบไปสักค้าซักเยอ๋ยวา่านจะเอาหอมาแล้วที่ยงด่วนนักเหมือนนะักนะในในทางที่ดีมันก็พอทำไม่จึงตอบได้ทำไมจึงจมาพูดอย่างนั้นใช่เพราะรักษาความสัตย์ใส่ไว บางทีองค์สมเด็จพระบรมราชาท่านจะยังดูพระปกิบัติในประเทศไทยจะมีสักด์มีทีเพียงแค่ใดเราจะลองดูว่าท่านจะไว้อย่างนั่นกว่าเป็นได้พระคําคอันนี้มันเล่าลืไปไกลแล้วเพราะมีในทีวะอบอกด้วยบางทีท่านจะรองกว่าเี่นั้ องค์ท่านไม่ใช่คนธรรมดามีมีสัตว์มีจริงองค์สมเด็จพรวบรมราชาผู้ที่เขาอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่คนม้อผู้ถึงศิลถึงธรรมมากยะเดียอ้อมคอขาดบาดตายนัน่นเองนะทำไมนกปูแก้ได้นกปูเป็นพระราชสมัยอยู่ตามฝาตามเขา ไม่เคยประสบความเจริญอนญรอใรเลยท่านเชร่อมันยาและคอมพูดก็ไม่เหมาะสมทำไม่จรงยอมเป็นยอมตายตอบได้มันก็น่าพิกกัน่ะอันนี้มันก็เป็นกันเทศอยู่นะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คุณหมอฟันนัน่นคุณหมอฟันองค์สมเด็จพระบรมราชานุ คุณหัวฟันองค์ทรัพยัทรพรมราชามันก็คิดที่ดีมันคอนคิดที่ดีที่นี่ร้องปูบวดมาเพื่ออาจไง เ่อ ป, ปู่บวชมาเพื่ออะไรเพื่อสนใจอะไรก็พอจะอ่านออกใช่ไหมในทางที่ดีมันก็มีอยู่เคยจะไปกับเราไปสักผ้าซักวันนี้นกเ็เรียนตอนนั้นท่านจะเอาใจม า, านี้แต่เราก็รักษาควัมยอมใจไม่เสียดายเเฉียว แค่รักษาอิจฉาขนาดสับจะทหารสามวิถีให้ดีเพื่อผู้ศึกศัตรูทิ่เหลของตนได้ควรคิดจำเนยใจเป็นกรรมฐานชาวไทยรุ่ีได้ได้ในโลกรุ่นได้จังได้ในโลกรุ่นทุกขังได้ในโลกรุ่นอนัตตาอย่าสงสัยเลยนาทั้งบฏิทั้งอาคต ทั้งปัจจุบันโวยใครเป็นผู้หาความสุขในโลกเป็นกว่าเพื่อนก็พระอาหานทั้งหลาแล้วมันไม่เจอมันจะไม่พบไม่ปัดเลยเ <Yes. S 1> หตุนั้นท่านจึงเบื่อหน่ายความหลงของตนข้ามทะเลหลงของตนไปซักทำไมเราจรึงอาบน้ำ ก็เพราะเหตุว่าร่างากายมันจกกระปกทำไมเราจึงปฏิบัติสินธรรมก็เพราะจิตใจมันสกปรกทำไมเราถ้าเราปฏิเสธโรคโกรธหลงไม่ได้เราก็จะปฏิเสธการบรรเทาโรคโกรธหลงจนถึงเหยือดแห้งหายไปไม่ได้เหมือนกัน